ถ้าเจริญได้ตามนั้นจริงก็ไม่เสื่อมนะถูกต้องบรรลุแน่นอนแต่เมื่อไร่อีกเรื่องหนึ่งไหมก็ต้องว่าโพชงประชุมกันได้ไหมล่ะสติประธานสมมติประธานอิทธิบาทอินทรีพระละโพชงองค์มักถ้าประชุมไม่ได้ก็บรรลุไม่ได้อยู่แล้วแหะแต่หมายให้ว่าถ้ายังเจริญอยู่อย่างเงี้ยในที่สุดตรัสรู้แน่นอนขอให้เดินตามทางเหล่านั้นเถอะบอกว่าอีกใ น, นหนือนะถ้าถ้าพูดแบบย้อนกลับไปอปริหานิยธรรมสูตรก่อนบอกถ้ายังฟังเกี่ยวกับเรื่องโพชงอยู่ก็ไม่เสื่อมเหมือนกันเถอะ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 ถ้าเอาคำสอนมาคิดได้บ่อยๆกุศลจิตมันเกิดได้บ่อยปัญหาเรื่องของเรื่องของผู้ที่อินทรีย์แก่กล้าคือกุศลจิตมันเกิดบางมากอ่ะนี่ทําทํำยังไงอ่ะก็ย้ําแล้วย้ําอีกแต่ทีนี้ย้ําแล้วย้าอีกถ้าใช้พยัญชนะเดิมมันก็เบื่อพระพุทธเจ้าก็ะนะความที่พระองค์กรุณาะนะกรุณาก็แสดงโดยวิธีนี้วิธีนั้นโดยปริยายต่างๆเชื่อเถอะถ้าผู้มีอินทรีย์แก่กล้าพระองค์ไม่ได้พูดมากหรอก พงษ์ไม่เหนื่อยกขบอกว่าพรงค์จะเหนื่อยเฉพาะคนที่ไม่คุณธรรมน้อยอินทรีย์น้อยเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็หรือเราแกล้งพระพุทธเจ้าพระองให้พระองษ์เหนื่อยเลยอย่างงี้ว่าแปลงพระพุทธเจ้าก็บาปอย่าแกล้งพระองค์เลยเนี่ยนะสงสารตัวเองเถอะเนี่ยนะพระองค์ไม่ป่วยกับเรารอกอักต่อไปดูก่อนพิสูจทั้งหลายและภิกษุยังจักเจริญปสัสสธิสำโพชองอยู่ตลอดกาลเพียงไรพิสูจทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียว หาความเสื่อมไม่ได้ก็คือเจริญปสัสสิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละหรือว่าปสัสทพิสัมโพชงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนันเอ โดยก่อนพิสูจทั้งหลายและพิสูจทั้งหลายยังจักเจริญสมาธิสัมโพชงะนะองค์ที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้คือสมาธิเนี่ยนะถ้ายังเจริญอยู่อย่างนี้ตลอดกาลเพียงไรพิสูจทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ะนะก็เจริญอะไรเจริญสมาธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละหรือว่าสมาธิสัมโพชงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้ว อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานดูก่อนพิสูุทั้งหลายและพิสูุทั้งหลายยังจะเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอยู่ตลอดการเพียงไรพิสูุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ก็เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละ หรือไม่ก็เจริญอุเบกขาสามโอชงเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้วว่าบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ยังจัดตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายคุณธรรมเจดอย่างนะธรรมะเนี่ยแปลกนะเพระองค์จะแสดงทุกอย่างเป็นชุดๆนะไม่ได้พูดอะไรอันเดียวอันใดอันหนึ่ง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 อันพระพุทธเจ้าเวลาแสดงนั้นจะแสดงทั้งชุดเนี่ยนะจะไม่ใช่อันใดอันหนึ่งแล้วพอเลยเนี่ยนะอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะดูก่อนพิสูธทั้งหลายตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงทําไว้ในใจให้ดีตถาคตจักกล่าวพิสูธเหล่านั้นก็กราบทูลว่าพร้อมแล้วพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสพระพุทธพจน์ดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายก็พิสูจทั้งหลายยังจักเจริญอนิจจะสัญญาตลอดการเพียงไรพิสูุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวฮะความเสื่อมนี้ได้คือหมายว่าอนิจจะสัญญานี่แปลว่าความสําคัญหมายว่าไม่เที่ยงคือไม่คาดคิดเอ่อคือคนเนี่ยนะจริงๆแล้วคนเนี่ยคาดหวังว่าสังขารน่าจะเที่ยงเรียกว่าเข้าไปคาดหวังว่าสังขานี่มันเที่ยง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 ไม่พอเขาก็รีบเร่งพอกพูนเพิ่มพูนคุณธรรมอย่างอื่นอีกเยอะเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญอนัตตสัญญาหมายรู้ว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ก็คือหลักการก็มีอยู่ว่าตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็น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 ควรจะเจริญอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าอถ้าคิดอีกในหนึ่งนะถ้าเราจะชื่นชมพระพุทธเจ้ายกย่องพระองค์เนี่ยก็คือว่าพระองค์เห็นความไม่เที่ยงแล้วพระองค์ ร, รวบรวมโพธิปักขยธรรมพระองค์เห็นว่าไม่เที่ยงด้วยกา ร, รมวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแล้วพระองค์รวบรวมอริยมรรคที่เหลือไม่ใช่ว่าโอ้อมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเดินไปเนี่ยเห็ียบกระถางแตกมันก็ไม่เที่ยงจบเลยเนีนะ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 อ้าวแล้วเราจะทําไงดีถ้ารู้ว่าสมมติว่าเดี๋ยวตาเนี่ยสมมติว่าตาเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงแล้วถามว่าจะเอาตาไปดูอะไรหูก็จะเสียหมดแล้วเนี่ยแล้วเอาหูไปทําอะไรเนี่ยร่างกายต่อไปนะกระดูกกระเดี่ยวก็เตรียมจะผุหมดแล้วเนี่ยนะสังขารก็จะเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วควรจะทําอย่างไรดีเนี่ยเราก็จะตายแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีแล้วบอกว่าหูตาหูจมูกิลนกายใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหมดเลยเนี่ยถ้ามัน อนณาตาแบบไม่เที่ยงด้วยอนณาตาแบบเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยเอ๊ะทาไงดีเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ประมาทยิ่งดํารงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะดำรงอยู่ไม่ประมาตก็คือโคจรปล่อยจิตให้ท่องเที่ยวไปตามโพธิปัขจะธรรมให้ใจเนี่ยไหลไปตามโพธิปัขจะธรรมซึ่งเป็นธรรมที่โคจรของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะดูความภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญอสุภสัญญา ตลอดการเพียงไรพิสูจทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้หมายคาอว่าถ้าเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นอสุภะเนี่ยนะทั้งสวิญญาณกะและอวิญญาณกะถ้าเห็นว่าอสุภะหรือปฏิกูลไม่สะอาดอยู่เพียงใดก็เจริญอย่างเดียวดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็พิสูจน์ทั้งหลายยังจับเจริญอาที น, นว่าสัญญาสัญญาว่าทุกอย่างมันมีโทษหมดเนี่ยนะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยมีโทษถ้าสําคัญหมายอย่างนั้นตลอดการเพียงไรพิสูุทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็พิสูุทั้งหลายยังจักเจริญตหานะสัญญาตหานะก็คือน้อมไปเพื่อละฉันทราคะเป็นต้นในขันห้าเนี่ยนะถ้ า, าก็ายังน้อมไปเพื่อละฉันทราคะเป็นต้นในขันห้าอยู่เพียงใด พิสูจทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายถ้าพิสูุยังยังจักเจริญวิราคะ ส, สัญญาสัญญาสําคัญหมายเพื่อคลายกําหนัดหมายถึงพระนิพพานเนี่ยนะถ้ายังน้อมไปเพื่อพระนิพพานอยู่เพียงใดก็หวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้และพิสูุทั้งหลายยังเจริญนิโรธสัญญานิโรธหมายถึงน้อมไปหาอาสังขตะธรรมทำเป็นที่ดับ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 ดูก่อนพิสษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ยังตั้งอยู่ในพิกูุทั้งหลายและภิสษุทั้งหลายยังเห็นดีร่วมกันในอปริหานิยธรรมเจประการเหล่านี้ตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้นั่นนะมันก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สําคัญที่จริงอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพระพุทธพจน์ที่กล่าวอปริหานิยธรรมเนี่ยพระองค์แสดงหลักการ แสดงหลักการเอาไว้ไปพินิษฐ์พิจารณาเอาไว้สํารวจตรวจสอบว่าเรายัางเจริญหรือยังเสื่อมแนวโน้มจะเจริญหรือแนวโน้มจะเสื่อมก็เอาอปิริหารนิยธรรมรําที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมนี่แหละมาสํารวจดูถ้าเราจะขัดกับหลักตัวใดตัวหนึ่งก็แปลว่าเสื่อมถ้าเจริญตามนี้อยู่สํารวจตรวจตราดูแล้วเป็นไปตามนี้ทุกประการพระองค์บอกว่ามั่นใจได้เลยว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม แปลว่าทมที่สุดแห่งทุกได้แน่นอนเนยนะเพราะนั้นก็อปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการทั้งห้าห้าสัตตกะเนี่ยนะห้าเจ็ดห้าคูณเจ็ดเท่าไหร่สามสิบห้าวันนี้เราเรียนหัวข้อทรมาสามสิบห้าหัวข้อเนี่ยนะนั้นสามสิบห้าหัวข้อเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมเอาไว้สำรวจตรวจตราว่าถ้ายังจะประพฤติปฏิบัติตามนี้เป็นไปอยู่เพียงใดก็จเจริญอย่างเดียวโดยที่ไม่ เสื่อมะนะก็ถือว่าเป็นข้อความตอนต้นของมหาปริญพานสูตรเพราะฉะนั้นขอธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมทั้งหลายเหล่านี้จงปฏิสถานอยู่ในพวกเราทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายได้เจริญอปิริหานิยธรรมประสบแต่ความเจริญอย่างเดียวโดยไม่เสื่อมตลอดไปนี่ยนะก็ขออนุมโมทนาด้วยทั่วกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้